ตอนทิพยีมานาวันที่ส1มอมกราคม 2,558 มันห้สาสิบดมสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกลัลยระมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนอะ <S 1> <S 1> <S วันนี้ตั้งแต่เช้าพวกครูเข้าไปในเมืองเพิ่งกลับมาถึงตอนห้าโมงเย็นแล้วก็ไปนั่งเดียบเหนียงยิดหนึ่งเพราะเวลามันน้อย ก็ได้มีโอกาสไปนมัส ก, การพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งรู้จักกันมานานนะก็นั่งสนทนากันหลายเรื่องก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะก็ไปโน้ตไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ใช่ลืมเพราะครูี่26ปีไม่เคยลืมเลยแต่มันไม่เคยจำนะไม่อยากลืมคือไม่ต้องจำนะ จำเก่งขนาไหนเดี๋ยวมันก็ลืมนะแต่ถ้าบางอย่างที่ต้องมาพูดปุ๊บเราก็โนต้ตไปนะวิธีไม่ต้องจำอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยเป็นระเบียบวินัยตามความเคยชินที่อะไรจำเป็นที่ต้อง เ, ออเป็นเรื่องของทางโลกที่ต้องนั้นเราก็บันทึกไว้ก็เป็นคำถามที่ท่านถามพวอครูเนาะก็พ่อครูก็เดี๋ยวเอามาพูดในฝั่ง คำถามแรกที่ในเชิงปรึกษาเพราะว่าท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ท่านต้องอัปเดต ท, ทุกวันเพราะว่าศาสนาเรามีหน้าที่ชี้ทางพ้นทุกขให้ผู้คนในสังคมบางเอิญพระผู้ใหญ่ท่านก็เป็นคนโบราณหน่อยหนึ่งนะท่านก็ติดตามโลกไม่ทันว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้น แต่ท่านก็สัมผัสด้วยว่าญาติโยงมาเข้าวัดท่านนี่อารมณ์มันเปลี่ยนนะความขัดแย้งแรงมากและท่านก็ได้ยินคำว่าขอรับช่นท่านก็ถามพระครู ว, ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเป็นตัวปัญหาจริงเหรอเพราะทุกครั้งเราเอ่ยคำว่าขอรับช่นปุ๊บนี่มีความชอบธรรมในการล้มล้างกันแกบอกมันคุ้มเลย เออท่านบอกว่าคุ้มเหรอเพราะคูก็เลยบอกว่าถ้าทัดแปลตรงๆในยะของคนไทยที่เขาพูดกันเนี่ยคือคําว่าคอร์รัปชันมันหมายถึงความการทุจริตถ้าพูดถึงเรื่องทางาศาสนาแล้วเนี่ยทุจริตมีสามอย่างนะมโนทุจริตคือคิดไม่ชอบคิดวางแผนเอาข้อเปรียบคนอื่นคิดวางแผนโกงเรียกว่ามโนทุจริตแล้วก็พูดปดมดเท็ เพื่อต้องการโกงหรือไม่ซื่อสัตย์เรียกว่าวัจจีทุจริตทีนี้กายทุจริตก็คือเหมือนขโมยไปป้นการคอร์รัปชันก็จริงๆรับการคอร์รัปชันมันรวมหมดเลยเป็นการทุจริตทั้งมโนทุจริตวัจจีทุจริตกายทุจริตตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของมวลมวนุษย์ในยุคทุนนิยมแข่งขันเสรี ก็พ่อครูก็เรียนท่านว่าปัญหาคอร์รัปชันทุกวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของสังคมการบริหารบ้านเมืองของมนุษย์ในยุคทุนนิยมแข่งขันเสรีเพราะทำให้นโยบายต่างๆที่วางเป้าไว้เป็นไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดช่องว่างของความเสมอภาคมือยาวสาวได้สาวเอาทำให้เกิดอภิสิทธิชน ใครมีทุนมากกว่าก็สามารถซื้ออภิสิทธิ์ได้มากกว่าการแข่งขันก็ไม่เป็นธรรมเช่นกีฬาพวกกูยกตังว่าอย่างกีฬามวยเนี่ยถ้าเราฟรีสไตล์ไม่ต้องชั่งน้าหนักแน่นอนคนที่ตัวใหญ่กว่ามันย่อมได้เปรียบคนที่ตัวเล็กกว่านะแล้วถ้าบวกกับกรรมการนี่มีอคติเลือกที่รักมากที่ชังมันก็ไปกันใหญ่นะ ก็สมมติ<ข>ว่าเราไปโกงตาช่างเขาเนี่ยเรียกว่าทุจริตน้ำหนักกรรมการไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราเนี่ยเห็นไหมเรียกว่าทุจริตต่อหน้าที่คือไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการตัดสินก็เป็นการผิดสินเหมือนกันคําว่าทุจริตก็คือผิดศินนะ เ, เราโกหกเราลักขโมยนะมันผิดศินแล้วมีคนทุจริตปุ๊บ แล้วมีคนไปด่าคนทุจริตไปพูดส่อเสียดไปว่ากล่าวเขาอันนี้ก็วาจีทุจริตถามว่าตอนนี้ใครบ้างไม่คอร์รัปชันคอร์รัปชันหมดเขาบอกว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านก็ถามพระครูแล้วเราจะแก้ยังไงไม่ใช่แก้ที่ล้มระบบสร้างระบบใหม่จนตายมันก็แก้ไม่ได้มันอยู่ที่คน ถ้าคนมันมีคุณธรรมแล้วนี่ไม่มีกติกาเลยเนี่ไม่ว่าต่อหน้ารับหลังนี่มันไม่ทุจริตคือเราแก้ที่ปลายเหตุมันได้ไม่คุ้มเสียเราจะเขียนข้อกำหนดอะไรๆมากมายกายกองแต่ว่าคนที่มันไม่มีคุณธรรมมันก็เลี่ยงบาลีในทางศาสนาเรียกว่าเลี่ยงบาลีในทางโลกเรียกว่าเลี่ยงกฎหมายมันไม่ใช่ที่ผิดที่ระบบ ท่านบอกเข้าใจ ล, ละแม้กระทั่งวงการาศาสนาที่ท่านอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นภ้าผู้ใหญ่นะก็ไอความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันเนี่ยมันก็แทรกซึมเข้าไปในทุกอนูในร่างกายมนุษย์ครอบงำอารมณ์ความรู้สึกมนุษย์เอาความคิดแบบทางโลกเนี่ยมาบริหารจัดการกับาศาสนาแล้วตอนนี้กลังจะปรัรูปาศาสนาด้วยนะ ไม่มียุคไหนที่มีคนตั้งคณะกรรมการปฏิรูปศาสนาพราะูกำลังงงอยู่เอ๊ะพวกท่านเป็นใครศาสนามันเสียหายอะไรเหรอมคำสอนพระเจ้าอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้มันคือสัจ ธ, ธรรมมันไม่เกี่ยวกับระบบมันเกี่ยวกับคนในศาสนาเอาตอนนี้เขาจะจัดการคนมันไม่ดีไงเอาสมมติว่าคนมันไม่ดีเนี่ยเอ า, อาพระภิกษุมีสามแสนลูก อาจจะที่หลุดผัวบ้างไม่ค่อยดีบ้างเป็นร้อยเอาหนึ่งพันก็แล้วกันเอาสามพันเลยดีกว่าหนึ่งเอร์เราก็ต้องล้มระบบมันเลยนะปะปฏิรูปใหม่เหมือนตอนนี้วงการราชการวงการการเมืองเนะี่ยซึ่ว่ามีคอร์รัปชันส0นะคนดีดีเก้าแต่เราล้มเลยเรามาสร้างระบบเพื่อป้องกันในสบอซค่าใช้ใจ่ายในการป้องกันนี่มันมากกว่า เงินล่วไหลายสิบเอร์ซ็นอีกมนุษย์เราแก้ปัญหาปลายเหตุตลอดนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เฏิ ร, เรูประบบแะบที่รูมมันไม่จบนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทะเลาะ ก, กันเหมือนเก่ามันอยู่ที่สำนึกของคนมันต้องแก้ที่คนนะถ้าเราแม่นแม่นตรงนี้แล้วเนี่ย ระบบมันมันระบบไหนก็ได้ระบบเผด็จการระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมระบบประชาธิปไตยมันมีระบบของมันเป็นเป็นระบบที่มันเป็นหลักตายตัวส่วนส่วนเทคนิคอุบายวิธีแต่ละชุมชนแต่ละแห่งเนตไม่เหมือนกันบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าหลักการมันต้องเหมือนกันไม่ไม่ไม่แก้ที่ระบบมันอย่างกติกาฟุตบอลเนี่ยมันมีกติกาสากลของมันอยู่แล้วเราชอบเราก็ไปเตะกับเขาเราไม่ชอบเราไม่ไปเตะ ไม่ใช่ไปเปลี่ยนกติกาเขามันไม่อยู่ที่กติกามันอยู่ที่คนน่ะไอ้คนนั่นไมมีไม่มีสำนึกไม่มีคุณธรรมมันก็ลอดช่องมันชอบใช้วิชาสิงคโปร์คือลอดช่องแล้วแก้ผิดแล้วก็แก้ไม่ได้วางใหม่ก็เป็นอีกเพราะคนมันคนเก่าไงฆ่าทิ้งหมดเลยเนี่ยไอ้คนที่เราเคายใช่ว่ามันชั่วซะ ฆ่าทิ้งหมดเลยเดี๋ยวไอ้คนช่วงใหม่มันก็เกิดขึ้นและไอ้คนที่ฆ่าเขาเนั่นแหละเป็นคนช่วงใหม่ทันทีเลยนะไอ้คนที่ไปดนาเขาเนี่ยก็คอนดักชันสร้างวัจจีทุจริตเหมือนกันผู้เจ้าแก้โดยง่ายๆผู้เจ้าแก้คำเดียวก็คือว่าอาโหสิกรรมอภัยทานแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยเล ย, เลยตามเลยนะแต่เราต้องรู้ว่าต้นเหตุทั้งหมดก็คือว่าคือคนไงไม่ใช่ระบบล้วก็หาวิธีแก้ที่คน ต้องบ่มเพราะคนรุ่นใหม่ตั้งแต่การศึกษาอะไรเลยแต่ตอนนี้เราแก้ที่ปลายเหตุนะทีนี้อีกข้อหนึ่งท่านถามพระครูว่าท่านฟังซีดีพระครูท่านบอกว่าพระครูบอกว่าผู้เจ้าไม่ได้ดำริให้สาวกนี่จาริกประกาศศาสนาแต่ดำริให้สาวกจาริกไปประกาศพรมจันย์ชี้ทางคนทุกข์ให้สัตว์โลก ท่านถามพ่อคว่าในในัยะประกาศพรมอาจารย์ของพวว่อครูเป็นอย่างไรนะท่านก็ต้องการรู้พ่อครูว่าการประกาศศาสนาเนี่ยยุควั น, นี้เราประกาศศาสนาโดยเอาจริตตัวเองเป็นที่ตั้งจิตก็เกิดอคติมองอะไรตามสายตาตัวเองเอาอัตตาตัวเองเนี่ยเป็นข้อมูลในการตัดสิน ชี้ถูกชี้ผิดตามความเชื่อของตัวเองอนุรักษ์สิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองเชื่อจับถูกจับผิดคนในาศาสนาด้วยกันเองความขัดแย้งก็เกิดขึ้นไปติดจิตกับรูปแบบวิธีการจนลืมไปว่าทุกคนมีจริตที่ไม่เหมือนกันไม่มองไปที่เจตนาไม่มองไปที่ผล ไปติดยึดกับอุบายวิธีที่ตัวเองชอบไปตีกรอบให้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ตัวเองต้องการเป็นคนว่านอนสอนง่ายเพื่อรักษารูปแบบที่ตัวเองเคยชินคิดแบบคุมถุงชนจนมองไม่เห็นเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงกิเลสเขาพัฒนาไปตามเทคโนโลยีเขาขี่จรวดแล้ว เรายังจะยึดมั่นถือมั่นกับอุบายวิธีเก่าๆขี่คอช้างถือแง้วถือเ ง, องาฝึกฟันดาบแล้วมันจะไปสู้เกลียดได้อย่างไรพราครูเอาสิ่งนี้พรอครูเคยพูดมาแล้วพ่อครูก็เรียนท่านว่าพูดตามความรู้สึกพ่อครูเหมือนยุคนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าประเทศอื่น แต่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นเพราะมัวแต่ไปเรียนไวยากรณ์อังกฤษเพราะกลัวผิดหลักภาษาความกลัวทำให้เสื่อมเลยไม่กล้าที่จะพูดเพราะกลัวจะผิดแต่ไปหลงติดว่าตัวเองรู้จริงเพราะไปเรียนไวยากรณ์มาแล้วเลยเป็นหลงติดกับความรู้นั้นสร้างอัตตาขึ้นมาไม่พูดไม่ชี้แจงเที่ยวไปจับผิดคนอื่นเขา ตามความรู้ซึ่งเป็นหลักไวยากรเลยกลายเป็นว่ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างที่พวกครูเคยยกตัวอย่างว่าด็อกเตอร์สองคนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ชาวนาสอนควายไถายนาได้เพราะชาวนาไม่ได้ไปเรียนหนังสือเขาจิตสื่อจิตเขาเอาประสบการณ์เขาดูแลสัตว์เขาเนี่ยสัตว์มันก็รู้ว่าเจ้านายมันลักมันพาไปกินข้าวถึงเวลาทางานเขาก็พามัน ท, ทามันก็ทาตามไม่ต้องทะเลาะ ก, กัน เพราะมันไมไ่ไปท่องจำเรียนแบบคนอื่นเอาความจริงมาว่ากันทีนี้ไอสิ่งนี้พ่อครกูก็เคยพูดอีกในหนังสือเละ่มะเล็กก็พูดมาเนื่องจากท่านถามพ่อครกูก็เลยบอกว่าสิ่งกั้นบังวิสัยทัศนะ์น่ะคืออัตตาอัตตาเกิดขึ้นเพราะความรู้ซึ่งขาดปัญญาความรู้ซึ่งขาดปัญญาเกิดขึ้นจากการท่องจาเรียนแบบเข้ามา ความรู้ซึ่งมีปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือการจำการเห็นแจ้งเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริ ง, รงๆไม่ใช่ไปท่องจำพ่อครูก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าสมัยสงครามเวียดนามเรื่องนี้บังเอิญเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกับคุณหมอเอสกับป้องนะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วตั้งแต่อุบลเนี่ย เป็นฐานการการบินที่ว่าไปบอมเวียดนามเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยนะเครื่องบินขึ้นลงเลยไปบอมไปบอมตอนนั้นก็มีสตรีไทยส่วนมากก็เป็นคนยากจนคนอีสานแต่งงานอยู่กินกับชาวฝรั่งเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษแต่เขาสามารถสื่อสารกับสามีได้โดยใช้กิริยา และเนื่องจากความรักความห่วงใยกันเนี่ยเขาก็ลดทิฏฐิมานะเขาลงมาเขาพยายามหาวิธีสื่อกันทุเรื่องเพราะว่าเขารักกันและความจําเป็นที่ต้องดำรงชีวิตด้วยกันก็ลดทิฏฐิมานะเรียนรู้ด้วยกันโดยไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนภาษาเหมือนเด็กๆที่ยังไม่ไปโรงเรียนเนี่ยทำไมถ้าพ่อแม่เป็นคนฝรั่งทําไมมันพูดภาษาฝรั่งได้ ลูกหลานเราทําไมพูดภาษาไทยได้คนอีสานทําไมพูดภาษาลาวได้ไม่ต้องไปโรงเรียนนะแต่พอไปเรียนปุ๊บไปเรียนดักทฤษฎีปุ๊บตอนนี้เด็กไท ย, ยสอบภาษาไทยได้โดยองค์รวม49เปเสอบตกทั้งประเทศเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเพราะถูกบังคับไปเรียนไอ้ภาษาที่เขายัดเยียดให้เราไปเทคนิคอะไรก็ไม่รู้แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ เป็นการพูดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนะเราพวกคูอยู่บนตอนนั้นพ ก, กูได้ยินบ่อยๆนะทั้งหนึ่งภรรยาของฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาไปตลาดเขาไปเห็นรถชนกันแล้วบังเอิญมีคนตายหนึ่งคนเขาตกใจมากเขากลับมาบ้านเขาก็บอกแฟนเขาเขาบอกว่าวันคาคำวันคาโก ทูคาโคมวันแมนดายสามีเขาพยักหน้าเขาเข้าใจเห็นไหมเขาไม่เกี่ยวกับไวยากรณ์เพราะโคมนี่มันมันเป็นเสียงดังอะ <c oughs> เห็นไมมันผ่านสมองซีขวามันไม่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วมาพูดเขาก็เข้าใจกันแต่ท่านเนื่องจากว่าเราอย่ามีทิฏฐิมานะเราพูดกันด้วยความเมตตานั่นเราไม่ไ้จับผิดภาษากัน ล้วก็จับประเด็นที่พูดเนี่ยเราก็สื่อกันรู้เรื่องแต่ทุกวันนี้ยิ่งเรียนเยอะๆยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะไปหลงภาษานะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งภรรยาชวนสามีนี่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดสามีเขาเคยไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่เขาบอกว่ know doing, but know าไอโนก๋วยเตี๋ยวบัดไอดองโนเป็ดภรรยาเขาบอกว่าเป็ด is the same chicken บัดสปีกกาบกรา สามี I อซี่ไพอเขาบอกอิสดักปุ๊บภรรยาก็ได้เรียนรู้ศัพท์คำใหม่ว่าดักก็คือเป็ดเห็นไหมมันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆแล้วไม่ต้องทะเลาะกันภาษาบ่งบอกนิสัยเราเรียนรู้ภาษาอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเรียนภาษาเพื่อ รู้วิธีที่จะเอาเปรียบคนอื่นเราเรียนภาษารู้วิธีที่จะเอาชนะคนอื่นเราก็จะมีนิสัยจับผิดคนอื่นเพราะเราต้องการชนะเขาทุกวันนี้เถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเพราะเราเรียนภาษาที่จะจะเอาชนะเขาแต่ถ้าเราเรียนภาษาที่จะให้คนอื่นเราจะสื่อภาษานั้นเนี่ยทำให้คนอื่นเขามีความสุข เราจะสื่อภาษาที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นและตัวเองแล้วยุคนี้เราเรียนภาษาอะไรที่ พ, พ่อคูผู้พูดเรื่องนี้มาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดพ่กคุยกัคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อว่าตั้งแต่เกิดมาท่านก็อายุมากแล้วท่านไม่เคยเห็นคนไทยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่น่าจะเป็น ท่านก็ไม่อยู่ข้างนอกท่านถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่อ้างคำว่าคอร์รัปชันเฉยๆก็จะเอาเป็นเอาตายกันมีใครบ้างไม่คอร์รัปชันมีใครบ้างไม่คอร์รัปชันมันมีหมดนั่นแหละนี่แหละท่านก็ถามพวกกุยว่าตอนนี้ในวงการาศาสนาอยา น, นก็ยุ่งไปหมดเลยนะ ก็ครูบาจารย์แต่ละคนก็มีฉลี่ไม่เหมือนกันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทุกคนก็อ้างคําสอนพระเจ้าเหมือนกันแต่ตีความไม่เหมือนกันนะท่านบอกท่านท่านก็ไม่เคยเห็นยุคไหนที่มันวุ่นวายขนาดนี้ทีนี้ถ้าซัก ถ, ถามว่าพระครูคิดยังไงพรอครูไม่กล้าคิดหรอกนะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนคําว่าปฏิรูปศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับพ่อค ร, รูแล้วเนี่ยท่านเป็นใครเหรอ ท่านจะปฏิรูปศาสนาของพุทธองค์เหรอนะมันศาสนาไม่ได้มีอะไรเสียหายคําสอนพระเจ้าอีกกี่ล้านปีก็ยังคงอยู่ใครเปลี่ยนก็ไม่ได้แต่ปัญหามันคือคนอยู่ในศาสนาตัว น, นี้เนี่ยไม่เข้าใจศาสนาไม่ปฏิบัติศาสนาอย่างจริงจังนะกาบไหว้พระพุทธรูปอยู่ทุกวันนะ่ะแต่ไม่เคยเชื่อพระองค์เลยไปเชื่อทุนนิยม มันก็เป็นอย่างนี้ไงถ้าไปเรียนโรงเรียนก็เรียนแต่วิชาภาษาที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นไงมันก็เอานิสัยตัวนั้นเข้ามาอยู่ในาศาสนาด้วยาศาสนาไม่มีอะไรเสียหายแต่คนในาศาสนาบางคนเนี่ยไม่ได้ศรัทธานในาศาสนาที่ตัวเองถือไม่เข้าใจาศาสนาทีนี้พว ก, กูก็เรียนท่านว่าอะล่ะใครจะอ้างยังไงก็ช่างผู้เจ้าว่ า, อ ย, า, งง า, อ, าอย่างนั้นผู้เจ้าอ้างยว่าอย่างนี้อ้างาง้า้างหมด นะสำหรัพ่อคูไม่หลงหรอก อ, อ้างผู้เจ้าพูดอย่างนี้พ่อกูจะถามว่าแล้วท่านทําหรื อ, อยังเออทาแล้วแล้วทําท่านได้หรื อ, อยังท่านทําสําเร็จหรื อ, อยังไม่มีแต่มาแสดงความรู้กันทีนี้หลวงพ่อถ้าเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านกับบอกท่านก็งงเหมือนกันแล้วจะทำยังไงทีนี้มาจับผิดกันในเรื่องเล็เลกๆในน้อย เรื่องพิธีดีตองเรื่องอุบายวิธีที่ต่างกันสูนี้ก็โดนนะเร็วๆนี้ก็โดนมีระดับด็อกเตอร์ล่ะมาที่นี่แค่คืนเดียวกันคืนก็มามาส่องดูมาอะไรๆเนี่ยนะแล้วกลับออกไปเขาก็บอกว่า เ, เขาไม่รู้แล้วเขามาเห็นแล้วแต่เขาก็สรุปว่าแนวนี้ไม่เหมาะกับภักภิกษุก็ไม่เป็นไรเป็นความเห็นแต่ ยังไม่มาสังเคาะให้มันเป็นความจริงคือไปติดที่วิธีไปติดที่เทคนิคจนไม่มองว่าเจตนาเขาทำเพื่ออะไรแล้วไม่ไปตามผลว่าเขาทำแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วก็มาทะเลาะกันกับเรื่องว่าเอ๊ะอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะจนทำลายล้างโครงสร้างทั้งหมดเลยคือไปติดที่อุบายวิธีพวกครูเป่งออกมาเลยว่าหลวงพ่อ เพราะกูไม่ได้อ่าพนพระไตบีโดดหรอกน ะ, นะแต่อาศัยฟังพระเขาเทศหรือว่าเขาสดุดเาเาแสดงทำอะไรพอ ก, กูก็ฟังบ้างน ะ, นะสิ่งเดียวเท่านั้นที่ผู้เจ้าบอกให้ทำเหมือนกันไปในแนวเดียวกันคือโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชาก็คือ ทำในเหมือนกันหมดต้องไปในแนวเดียวกันพุทธศาสนิกระชนนะจะมีจริตอะไรไม่เหมือนกันกระชั่งก็คือทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้คองใส่ส่วนอุบายวิธีในการทําดีบางคนทําดีโดยการให้ทานไปช่วยเหลือเด็กยากจนบางคนทําดีโดยไปดูไปดูแลคนแก่บางคนทําดีโดยไปสร้างวัดไปเลี้ยงพระ มันเป็นจริต ท, ที่ไม่เหมือนกันส่วนละชั่ว น, บ น, น, ออบน่บางคนถือศีลบางทีเข่งอย่างหนึ่งบางคนถือศีลแบบว่าไม่ใส่รองเท้านะเพื่อลดละเลิกเพื่อมันให้มันเรียบง่ายบางคนถือศีลแบบไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดมันเป็นอุบายวิธีที่ต่างกันเพราะแต่ละคนนี่มันติดยึดไม่เหมือนกันเขาก็ใช้อุบายที่ทาให้ละลายสิ่งที่เขาติดยึด ทีนี้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสเหมือนกันาการฝึกสมาธิจเจริญสติผู้เจ้าก็ยกตัวอย่างเอาใบไม้กำ ม, มือเดียวกรมมาเนี่ยนะเออนับดูมีสี่สิบใบมาสี่สิบกำกองกร ม, มาฐานอันนี้เป็นตัวอย่างบางตอนใครจะดึงใบไหนก็ได้แล้วก็ไปทำจริงๆจังๆอ่ะขอให้ทำอยู่ในกรอบทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสนี่คือหลักการที่ผู้เจ้าให้ไว ไม่ใช่ไปอ้างว่าพระองค์พูดคนนั้นแบบต่างคำรรต่างวาละที่พระองค์แสดงกับคนนั้นคนนี้บังเอิญเมื่อกี้นี่นั่งรถระหว่ังไปอุบลชั่วโมงครึ่งแล้วกลับมาแก้วทิพย์เขาก็เปิดธรรมะเขาแสดงคําพูดของพุทธองค์มีหลายสูตรนะพะกูก็ฟังไปด้วยนะสูตรหนึ่งเขาก็อ่านน่ยอ่านที่พระพุทธเจ้าเป่งวาจาออกมานะ พระ อ, องค์ก็นเน้นชัดเจนว่าภิกษุก็บรรลุทรรได้ภิกษุณีก็บรรลุทรรได้อุบาสกอุบาสิกานี่บรรลุทำได้จนถึงขั้นสุดท้ายนั่นแหละชัดเจนแล้วก็พมาอีกสูตรหนึ่งพระ อ, องค์แสดงกับภิกษุทั้งหลายนะถ้าระวังเลือน ออกบวชคือปงผมโกนเขานุ่งหุ่มเหลืองนะแล้วก็ลดลาเลิกก็บรรลุธรรมทีนี้บางคนก็ไปอ่านตอนนี้ไปฟังสูตรตัวนี้ก็บอกว่าการบรรลุธรรมต้องบวชอย่างเดียวก็เถียงกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือคือเราถ้าเราเราจะฟังพระองค์เนี่ยพระองค์ดูว่าวันวันนี้พระองค์เต่มจะเน้นเรื่องจุดไหน แต่ไม่ใช่เมื่อฟังตอนนี้พูดเราก็ไปยัดแ ย, ด, ยดทุกคนต้องทําแบบนี้เนี่ยทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะสำหรับพระครูแล้วว่าหลักการที่พระเจ้าบอกให้ทุกคนทําเหมือนกันก็คือทําดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสถามว่าพวกเราเต้นเต้นเต้นเราลองหัวเราะเนี่ถามว่าเราไปตีหัวใครเหรอแล้วไปเบียดเบียนใครเหรอไม่มีเราละชั่วเอาเต้นเต้นทําไม เออเต้นเปลี่ยนชีวิตกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขมันดีหรือมันชั่วมันดีแถมไม่ปลดปล่อยอารมณ์อารมณ์ข้าในมันผุดขึ้นมาได้เรียนรู้รู้เท่าทันมันได้ใช้สติได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธินะได้รู้เท่าทันอารมณ์ได้ขับเกาจิตให้บรบบผ่องใสอยู่ในนี้หมด ไม่ใช่มาดูใช้รู้แล้วรู้แล้วแล้วก็ไม่เหมาะกันอย่างนั้นไม่เหมาะกับอย่างนี้คนที่รู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนี่คือเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับท่านเหมาะกับจริตท่านไหมไม่ใช่มององ์รวมว่าภิกษุต้องเป็นแบบนี้นะเออเป็นเป็นตามที่ตัวเองเคยชินน่ะและ้วไปจับถูกจับผิดเขาจับผิดเขาเนี่ผิดศีลอย่างยิ่ง ทำลายเป็นเป็นว จ, จีกรรมเห็นไหมมีใครบ้างไม่คอร์รัปชันเรื่องนี้ระวังนะไม่ไม่ใช่เรื่องทําเล่นๆ เ, เพราะว่ากรรมชี้เจตนาอย่าไปมองเพลินๆว่าเขาทาอย่างนี้ต้องดูว่าเจตนาเขาทาอย่างนี้เพื่ออะไรทําแล้วมันได้อะไรมันเกิดผลไหมแค่มองเห็นปุ๊บก็ไปแสดงความเห็นกันโดยที่ไม่มาคุกคีไม่มาลองทําดูอยู่เนี่ย มันไม่ใช่ความจริงแสดงความเห็นน่ไปทำ้ายเขาไปตั้งสมมุติฐานว่าเขาทำผิดเนี่ยมันเป็นวัจีกรรมอย่างยิ่งนี่วัจีทุจริตตอนนี้เดือดร้อนกันไปหมดพ่อผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนที่นี่ยี่สิบกปีที่ผ่านไปสิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าพ่อครูใช้เสียง รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบภัษาก็คือทคืออารมณ์มามา้ที่ใจทำไมพ่อกูเลือกเสียงสามชั่วโมงนั้นน่ะพ่คูไม่เคยเรียนรู้มาจากไหนจิตพ่อกูไปสนใจเสียงแอร์มันดังมันก็ดึงมาที่ใจมันก็ดึงมันก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นแล้วมันก็ระเบิดอันนี้คือเราเห็นในเวลานั้นการทำงาน ของร่างกายมนุษย์เราวมารู้ภาษาที่หลังว่าเอ้เสียงนั้นคืออิตนะภายนอกอิจฉาในภายนอกมีหคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อาิจนะภายในตาหูจมูกลิน้นกายใจทุกคนต้องมีแล้วก็มันอาศัยวิญญาณหกวิญญาณที่หูเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บมันก็ส่งเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไป ส่งกระแสะเข้าไปให้มโนวิญญาณอยู่ที่ใจไปรับรู้อารมณ์ชอบไม่ชอบนี่คือขบวนนการทำงานของมันที่นี้พ่อครูเห็นหมดเลยทีนี้ก็ไปเข้าใจคำสอนพูเจ้าว่าเอาละหนึ่งในสี่กรรมฐานคืออาณาปณสติลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ยาวก็รู้แล้วครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ่ยชื่อก็ได้คือ พระ อ, อาจารย์หลวงปู่มั่นของเราเนี่ยอาจารย์ใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยท่านเป็นคนตั้งทฤษฎีพุโทโธขึ้นมาโดยจับบ้าลมหายใจเข้าเรียกว่าพุทออกก็คือโธมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดมันเป็นอุบายวิธีนะแต่ทีนี้ถ้าเราจับลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็สร้างมันสะสมพลังในขณะที่เวลานั้นเรามีหน้าที่เราจับลมหายใจเราเลิกคิดเราวางความคิด เราก็ว่างเราก็เกิดความสมุกนะสมถกรรมฐานทำให้เราเกิดความสมุกแต่ถ้าเราอยู่ที่นั่นสามสิบแปดปี4ี่สิบปีเนี่ยนะมันก็ไม่ไปไหนไงแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มันเป็นบาตฐานเบื้องต้นที่ฝึกให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิตั้งมั่นมีกาลังเพื่อจะไม่ไปติดที่ความคิดนั่นคือจุดเริ่มต้นสมถะกรรมฐาน แต่เราต้องเร่งสติหมุนกวงล้อคนหมาถ้าเราทําลมหายใจเนี่ยให้มันมารู้ที่ใจมันดึงระหว่างใจกับจมูกเนี่ยมันก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเหมือนรถยนต์ต้องสตาร์ทเครื่องพลังงานทุกอย่างต้องหมุนเห็นไหมพอสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้เราใส่เกียร์ปุ๊บถ้ารถยนต์รุ่นเก่ารุ่นสติ๊กชิปไม่ใช่เกียร์อัตเมตินะมันก็ดับเพราะว่าพลังมันไม่พอเราต้องเร่งเครื่องแล้วค่อยใส่เกียร์วิ่งเข้าไป นี่คือเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจัดเพราะเป้าหมายเรามาฝึกจิตไม่ได้อยู่แค่ความสงบชั่วครู่โดยใช้พลังสมาธิไปกดมือนไว้เพื่อให้มันกําลังมากกว่าความคิดเราก็ว่างจากความคิดระวางความคิดแล้วก็ว่างจากความคิดเร า, า, ก, าก็เกิดความสงบชั่วครู่แต่ปัญญาไม่เกิดนะสมถะกรรมฐานทําให้เกิดความสงบวิปัสสนาทําให้เกิดปัญญา เราต้องเข้าถึงกล่องปัญญาและจิตมีปัญญามันรู้ว่าต้นเหตุทั้งหมดก็คือมีตัวเรามันรู้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สงบคืออะไรมันก็แก้ตรงนั้นมันขัดเกลีตรงนั้นมันระเบิดตรงนั้นทิ้งก็เข้าไปสู่สุญญาตาก็ว่างจากัตานะสิบเอดปีพระครูตีระคังถ้าพ ค, ครูตีเนี่ระคังไม่เคยแตกแต่ทุกคนรู้ว่าใครตีเราใช้ติดติกิตีเนี่ย ไม่ต้องตีแรงอนะ่ะมันก็เข้าไปในจิตทุกคนรู้แต่พี่เลี้ยงตอนนั้นนะ่ะบางทีพระครูมาอยู่ก็ช่วยกันช่วยกันตีใช้ใจตีไปจนระครังแตกหมดทุกคนรู้ว่าใครตีทีนี้เสียงระครังเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคนตีแล้วเนี่ยมันไม่เป็นกลางมันตีตามจิตตามอารมณ์พลังมันไม่เหมือนกัน บังเอิญมันถึงเวลาตอนนั้นเราเปิดโรงเรียนปุ๊บเขาบังคับว่าต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องเอาไฟฟ้าเข้ามาตอนนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นญาที่รรมที่ขนแก่นถือวิสาสะยังไงไม่รู้เอาเทปสมัยก่อนมันเป็นเทปไม่ใช่ซีดีมาเปิดเพลงกวนอิมที่นี่วันนั้พ่อครัวเดินมาให้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็นั่งหมุนกัน พวกครูไปนั่งฟังคลื่นเสียงเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้เห็นไหมพวกครูไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เราทำอยู่เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงและบังเอิญใช้ระบบเสียงตันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นกลางมันเสมอต้นเสมอปลายกี่วันกี่วันมันก็เป็นกลางไม่ใช่ตีระคังอันนั้นอยู่ที่อารมณ์แล้วก็เปลี่ยนไงเห็นไหม เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงและพระครูอายุมากขึ้นตอนนั้นพักครูเช้าสายบ่ายเย็นพระครูตีละครั้งไม่หยุดนะมันคืนตีถึงเที่ยงคืนเพราะตอนนั้นอ่ะกว่าจะมีดวงจิตดวงหนึ่งจะจะเดินแรงๆจะดุจพ้นเนี่ยพักครูไม่ปล่อยเลยเราเฝ้าถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งปดแค่ดวงจิตดวงหนึ่งนี่ยก็มาอาศานแล้วแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป เราต้องยอมรับความเปลีย่ยนแปลงคือคาว่ารู้ธรรมเนี่ยไม่ได้ไปว่ารู้มากไม่ใช่เรื่องรู้วิชาการรู้ภาษาบาลีรู้อะไรอันนั้นเป็นแค่องควิชาเป็นวิชาพุทธศาสนามันไม่ใช่ธรรมรู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันไม่มีวิชาในสูตรสมเร็จว่าต้องเป็นแบบนี้แล้วก็รู้เท่าทันมันเพราะโลกมันเปลี่ยนเห็นไหม ก็อย่าเปลี่ยนสิโทรศัพท์มือถืออย่าเปลี่ยนสิ G2 ก็พอแล้วเปลี่ยน G3 G4 G5 ทําไมเห็นไหมกิเิยามันพัฒนามันเปลี่ยนถ้าเรายังใช้เทคนิคเก่าๆต้มๆเติมๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะพระองค์บอกอย่าเพิ่งเชื่อที่ทําตามๆกันมาพระองค์ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่มันไม่ทันกับเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนอันนี้ไปยึดมั่นถือมั่นถ้าอไหนที่ฉัน ฉันเรียนมามันไม่ใช่แล้วก็ไปชี้ถูกที่ผิดมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะเรารู้ได้อย่างถ้าจิตคุณไม่ทะลุป้องนะคุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เหมาะกับเขาคุณเห็นจิตเขาเหรอเนี่ยนักวิชาการตอนนี้เป็นแบบนี้นะเขาไปแจ้งเรานะยื่นร้องเรียนเราดอกเตอร์ทีนี้เมื่อวานนี้ บ้านเมืองมัส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบางเอ่ยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาทำหน้าที่เขาอยู่บนเขาเคยมาปฏิบัติที่นี่ส่วนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไม่เคยมาก็ตามมาหาข้อมูลเขาก็ไม่เห็นเขาตะลึงนะที่นี่พวกบอกไปพบพวกขูกไม่ต้องไม่ต้องไปรบกวนท่านนะเขาไม่เห็นคือว่าเขากล่าวโทษเรามันไม่เหมาะกับภิกษุเขาว่ า, าไม่เหมาะกับเรื่องของภิกษุเนะ่ยภิกษุท่านมีสิทธิ์ไม่ใช่พวกขูไปบังคับเขา ท่านรู้เองว่ามันเหมาะกับท่านหรือไม่เจตีท่านเป็นอย่างไรเราไม่ได้ไปสั่งว่าท่านต้อง ป, ปฏิบัตินะบอกที่นี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยระดับผู้รู้นะเรียนจบอินเดียนะเป็นด็อกเตอร์นะอะนั่หละไอ้พวกนี้จะทำให้บ้านเมืองทะเลาะกันหมดก็นั่งคุยกับหลวงพ่อสนทนากับท่านปุ๊บบังเอิญมีโยมอยู่ข้างๆ ท่านบอกพระครูช่วยพูดอธิบายเรื่องทิฏฐิมานะมันคือนัยยะอะไรพระครูบอกถ้าทิฏฐิในคำภาษาไทยทั่วไปก็คือความอวดดื้อถือดีนะความดื้อรั้นความตะแบงไม่ยอมรับผิดอ้างโน่นอ้าง น, น, างนี่ถ้าเป็นภาษาทั่วไป แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมแล้วเนี่ยทิฏฐิมีด้านบวกกับด้านลบคือความเห็นถ้าความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าความรู้นั้นอ่ะมันทําให้เรามีความเห็นผิดนะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะทิฏฐิมันมันมีสองด้านอยู่ที่ว่าตอนนั้นเรามีความรู้ผิดเราก็มีความเห็นผิดถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้อง เราเรียนความรู้ว่าเอ้ยรู้ว่าลูกลูกลูกต้องต้องต้องช่วยคนนะต้องให้เขานะต้องอาภัยเขานะอันนี้ในทางศาสนาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าสอนลูกว่าลูกเอาชนะมันนะเตะมันเลยตีมันเลยอันนี้ในทางศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอยู่ที่ว่าเราบันทึกความรู้อย่างไรเป็นคำถามสดๆเลยจิตพ่อคูก็ตอบแล้วก็ รีบมาบันทึกนะพวกครูคิดว่ามันก็มีประโยชน์เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราประจำวันคือคำว่าทิฏฐิเรายึดมั่นถือมั่นในความรู้ของตัวเองถ้าเป็นความรู้ที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความรู้ผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนด้านนอกข้างนอกคือตัวใจกับตัวสมอง ชีวิตเราข้างนอกเราจะใช้เรียกว่าทัศนคติทนะุกวันนี้ใครคิดไม่เหมือนฉันฉันต้องปรับทัศนคติลูกต้องฟังนะต้องทำเราไม่เคยพยายามเข้าใจเด็กเลยเราไม่จะสั่งให้เด็กมันทาตามเรานะคนที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติก็คือผู้ใหญ่ให้เรียนรู้กับเด็กมันบ้าง ให้รู้โลกมันเปลี่ยนแปลงนขานอกเรียกว่าทัศนคติถ้ามีสัญญาความรู้ที่ถูกต้องก็มีทัศนคติที่ถูกต้องถ้ามีสัญญาซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าอักคติเรียกว่าอักคติอักคตินี้ไม่ใช่อย่างเราลักในกอเราก็ ตัดสินว่าในกองมันดีเราเกียดในขอเราก็ตัดสินว่าในขอมันไม่ดีทั้งสองอย่างเป็นอคติหมดถ้าเรามีสัญญาที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเป็นกลางเราจะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง น, นะถ้าเราตัดสินใจด้วยความรู้สึกสัญญาที่เรามีเราไม่บริสุทธิ์เพราะตัดสินเพราะเรารักมัน เรียกว่าอากตนะิก็พ่อครูก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าอย่างบางคนนี่ถูกครูบาอาจารย์เนี่ยตักเตือนเพื่อเตือนสตนะิก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแบกอารมณ์นั้นไว้ตลอดไม่ยอมปล่อย มีทัศนกติว่าครูบาอาจารย์ไม่เป็นธรรมว่าแต่เราทีคนอื่นทำยิ่งกว่าเราก็ไม่เคยเห็นว่าเลยทัศนคตินี้ดีไหมถ้าเราไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนรู้กับท่านเราไม่มีศรัทธาเลยเสียเวลานะแล้วทำให้หนัก อ, อกหนักใจและน้อยใจย้ำคิดย้ำทำ สร้างมโนตลอดแถมเผอบนออกมาให้คนอื่นฟังด้วยเป็นสร้างวจีอีกอันนี้คือคอร์รัปชันมโนทุจริตวจีทุจริตพวกคือพูดเคยพูดบ่อยๆว่าถ้าศรัทธามีคำด่ากลายเป็นคำสอนถ้าศรัทธาหมดคำสอนกลายเป็นคำด่าเพราะเรามีอาคติเรามีทิฏฐิมณะเราจะไม่ก้าวหน้า ทีนี้ไอคนที่เขาน้อยใจนั่นเขาลืมไปว่าเวลาครูบาอาจารย์เตือนสติเขาเนี่ยก็เตือนเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้เห็นแล้วตัวเองไปคิดได้ยังไงว่าครูบาอาจารย์ไม่เตือนคนนั้นแบกภูเขาอยู่ในอกตัวนั้นแหละต้องนับกรรมเพราะเรามีอัคติอันนี้ก็กรรมใครกรรมมันนะไม่มีใครช่วยเราได้ ทีนี้มันไม่เกี่ยวกับหรอกว่าครูบาอาจารย์เขาจะเตือนคนอื่นหรือไม่แค่รู้ว่าครูบาอาจารย์เตือนเราหมายถึงว่าท่านให้ความใส่ใจเราถ้าสิ่งที่ท่านเตือนแล้วเนี่ยเราไม่ได้กระทำแต่ก็เป็นการเตือนสติเพื่อให้เรามีความสารวมระวังมากขึ้นเป็นคุณประโยชน์แต่เนื่องจากเรามีทิติมานะมีอัตตาจึงทาให้เรายอมถึงทาให้เราไม่ยอม ปล่อยไม่ยอมวางนี่แหละคือคนที่มีทิตฐิมานะเป็นคนดือ้อนะเป็นคนตะแบงมองว่าตัวเองมันไม่เพราะครูเนี่ยไม่มีมองไม่มีเคยมองยี่หปีมองว่าใครถูกใครผิดนะอยู่เที่ว่าอาจจะทําผิดพลาดแล้วมันจะกระทบกระเทือนกับจิตเราในการเดินทางนะถ้าครูบาอาจารย์ไม่เตือนเราจะมาที่นี่ทําไม แทนที่จะดีใจนะออว่าครูบาอาจารย์ในใส่ใจเรามากกว่าคนอื่นอันนี้กลับไปคิดในมุมกลับเนาะ อ, อันนี้คือยกตัวอย่างว่าคิตติมานะคืออะไรเมื่อกี้พูดถึงเรื่องด้านนอกเรื่องทัศนคติส่วนด้านในนั้นทางศาสนาเรียกว่ายานทัศนะอันนี้ก็ต้องระวังนะปฏิบัติไปปฏิบัติมาช่วงหนึ่งเกิดยานรู้ต่างๆพูดขึ้นมาขูทิตาทิป ถ้าไม่ระวังนะก็ไปหลงติดในยานรู้นั้นทำให้เกิดอัตตาเพิ่มขึ้นว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นฉันรู้มากกว่าคนอื่นนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ละกลายเป็นเพิ่มเพิ่มอัตตาอันนี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะเพราะคูเตือนแล้วว่าสัจธรรมรู้สัจธรรมเห็นหลวงปู่ดุลท่านเคยเป่งเลยมาหลวงปู่ล่าพูดเหมือนกัน เราเห็นจริงปฏิบัติวิปปัสนาเราเห็นนิมิตจริงเห็นอะไรจริงน่ะแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงทำไมมันไม่จริงก็เห็นจริงๆไงเห็นนรกเห็นสวรรค์ไงบางคนเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาเลยนะเรื่องอะไรให้เปียงครเจ้าทิ้งถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนน่ะเป็นแบบพระพุทธรูปเลยบ่กเคยเห็นเจ้าชายสิทธาถามั้ยโดนตีหัวจิตเดิมเขาสร้าง นิมิตเนี่ยเพื่อมาสอบอารมณ์จิตปัจจุบันว่าเธอเอาจริงไหมเธอกล้าเหวียงไหมนั่นแหละไปหลงไงไปหลงอภิญญาต่างๆเนี่ยอันนี้แหละอภินญานี่ระวังนะมีประโยชน์แต่ถ้าไปหลงมันปุ๊บนี่มีโทษมหาศาลเลยมันจะสร้างอัตตาเราปฏิบัติธรรมเพื่อลดอัตตาเพราะอัตตาคือที่มาของทุกข์อันนี้กลายเป็นว่าอวดรู้อวดเห็นนะ อยากจะแสดงนะอย่าชะล่าใจนะเราหลงไม่พอพาคนอื่นหลงด้วยเนี่ยเป็นกรรมหนักนะเราไปขโมยนาฬิกาเขาเขาเสียนาฬิกาเขาเสียใจด้วยนะแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเราไปชี้ทางให้เขาเดินทางผิดเนี่ยเขาเสียชาติเกิดอ่ะไม่ใช่เรื่องทำเล่นเล่นก็บอกว่าเวียงทิ้งเวียงทิ้งไงทีนี้ถ้ามันไม่พิเศษเนี่ยมันมันก็ไม่มันก็หลอกเราไม่ได้ไง มันก็ต้องพิเศษถ้าจิตปัจจุบันบางทีอภิญญาที่เราเห็นน่ะที่บอกว่าทาไมเห็นจริงสิ่งที่เห็นไม่จริงมันไม่ใช่อภิญญาไม่ใช่ญาณทัศนาของจิตปัจจุบันมันเป็นบา ร, รมีของจิตเดิมเราเห็นไหมเห็นหมดเลยกลับออกมาก็มีกิเลสเหมือนเก่าถ้าไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยใครเตือนเราก็ไม่ฟังเพราะว่าเฮ้ยฉันเห็นมาหมดแล้ว อันนี้ระวังนะพระพุทธยบอกว่าต้องจับศรัทธาไว้ไม่งั้นไม่มีใครปดให้เราได้มันเป็นยานทัศนะของจิตเดิมยังไม่ใช่จิตปัจจุบันจิตปัจจุบันไปหลงว่าตัวเองมียานรู้ซึ่งเป็นยานทัศนะซึ่งยังไม่วิสุทธิ์วิสุทธิ์ที่เจ็ดไอ้ตัวสูงสุดเนี่ยคือยานทัศนะวิสุทธิ์มียานก็เหมือนไม่มียาน เห็นก็เหมือนไม่เห็นเพราะเขายานบริสุทธิ์เขาไม่ไปหลงติดเขารู้ว่าทุกอย่างก็ไม่ใช่หมดไม่ตื่นเต้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานั่นคือยานทัศนาวิสุทธิ์ตอนนี้อย่าไปถึงแค่ยานเลเอาแค่ข้อกังขากังขาก็ยังไม่วิสุทธิ์เลยกังขายังมีลังเลสงสัยยังมีอะไรเนี่ย ยังหยาบหยาบอยู่นะถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยข้อกังขาใดๆก็ไม่มีเลยเพราะเราเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่นี่แหละยานทัศนวิสุทธิ์แต่ตอนนี้หลงกันมากตัวเองหลงติดไม่พอยังไปหลอกคนอื่นหลงอีกเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังมันเป็นญาน ม, นมังยังไม่วิสุทธิ์นะ แล้วก็พวกครูพรครูเข้าใจเพราะพ่อครูรู้พวกครูถึงให้เครื่องมือเราอย่าลืมนะใช้เครื่องมือนิคำว่าเวียงทิ้งสวรรค์ก็เวี่ยงทิ้งไม่ใช่ไปเวียงสวรรค์ทิ้งเวียงความยึดมัน่นถือมันที่เราจะเป็นหลงมันทิ้งเตือนเราว่าผ่านนารกก็เวียงทิ้งอย่าให้มันหลอกเรา อันนี้พระครูไม่ได้พูดนะเดี๋ยวหาว่าพระครูลบลูครูบาอาจารย์ผู้เจ้าพูดเองในพระไตรปิฎกบอกว่าถ้าระหว่างทางเดินไปเห็นพระพุทธองค์ฆ่าพระองค์จริงซะพระองค์ไม่ได้มาเล่นมาขายของกับเราอย่างนี้หรอกมันเป็นเขามาสอบอารมณ์เรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เรื่องอะไรบางคนแย้งพระครูบอกว่าก็พระครูพูดเองดไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ก็เห็นตถาคตแล้วนี่ยดีใจมากเลยจะไปเหวี่ยงดิ้งได้ยังไงไม่ใช่เห็นแบบนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจพระพุทธองค์สิ่งที่พระองค์ตัดสู้นั้นมันพูดด้วยภาษาไม่ได้นั่นละเราจะเราจะเลิกนับถือพระเจ้าเลยถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นเพราะคำว่านับถือบัรยาบไปเราจะบูชาถวายชีต พ, พระองค์นั่นนหะพูดได้เห็นธรรมพุทธันเห็นเราตถาคตนะ ก็ถ้าเป็นยานชนะวิสุทธิแท้จริงแล้วนี่จะทำลายอัตราของจิตปัจจุบันถ้าเป็นยานทัศนะที่จิตปัจจุบันไปหลงติดนั้นจะเพิ่มอัตราตัวตนมากขึ้นไม่ใช่แนวทางผลทุกิ่งปฏิบัติยิ่งต้องลดอัตราลดทิฏฐิลดตัวตนจึงจะเป็นทางผลทุกข์ไม่ใช่เป็นรู้แค่นั้นเองก็ไปหลงว่าตัวเองรู้มากต้องมุ่งมั่นปฏิบัติ ให้มันเข้าถึงก่อนจนเราแน่ใจว่าเราไม่หลุดแน่ๆ น, นะถ้าจะอ่านพระจิบอกก็อ่านให้มันจบนะพวกคูฟังเขาพูดนิทานทำพูดพูดประวัติพวกก็ฟังอยู่นะคือตามที่ได้ยินมาสมัยพุทธกาลเนี่ยส่วนมากถ้าไม่มีดวงตาเห็นธรรมก่อนเนี่ยไม่ได้บวชให้บวชแล้วไม่ให้ไปไหนนะ ไม่ใช่แค่เห็นธรรมเบื้องต้นก็ให้ไปแสดงธรรมไม่ได้ให้ไปไหนปฏิบัติจนถึงเข้าถึงจริงๆพระ อ, องค์จึงดําำดิให้สาวกเนี่ยจาริออกไปประกาศพมาจาันชี้ทางคนทุกข์ให้สัตว์โลกเมื่อเรายังไม่พ้นทุกข์เราจะไปชี้ทางพ้นทุกข์ให้เขาได้อย่างไรอันนี้แค่ไปเรียนอ่านวิชาการแค่จบด็อกเตอร์แค่จบปริญญาเก้าไปแสดงธรรมเนี่ยธรรมมันจะเลอะเลือนนะเฮ้ยเราตกใจก็จบด็อกเตอร์สูงสุดแล้วไง ไม่ใช่ด็อกเตอร์คนเป็นด็อกเตอร์ดีหรือไม่ดีแต่ความเป็นด็อกเตอร์ความรู้ที่ด็อกเตอร์รู้นั่นมันเป็นแค่ความจํามันไม่ใช่ความจริงแต่ไปเผยแผ่พุทธประวัติได้ไปสอนว่ามักมีองค์แปดมีกี่ข้อสินห้ามีอะไรบ้างสินแปดสินสิบมีอะไรบ้างปฏิสมบัติมีอะไรบ้างอย่าไปแปรเรายังไม่เห็นทำอะไรไปแสดงทำทรมมันก็เลอะเลือนสมัยพุทธกาลพระ อ, องค์ไม่ ดวงตาเห็นธรรมแล้วค่อยบวชบวชแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยเห็นธรรมล้วจะเป็นไม่ใช่คําว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นจิตเข้าไปในกระแสมากแล้วเนี่ยขั้นต่ําสุดคือโสดาปฏิมาขึ้นไปปฏิบัติต่อไปเมื่อเห็นธรรมแตกฉานแล้วค่อยจารึกไปประกาศพมอาจันอันนี้ไม่ใช่ประกาศศาสนานะตอนนี้เรามาสอนศาสนาได้ไงเออโคงสร้างศาสนามีอะไรสินห้ามีอะไรศินแปดมีอะไรปฏิสบุตรบาทมีกี่ข้อ อันนั้นเป็นวิชาพุทธศาสนาเนี่ยไปสอนเถอแต่อย่าไปพูดว่าแสดงธรรมนะถ้าไม่เห็นธรรมเราไปแสดงธรรมเนี่ยธรรมมันจะเลือเล่อนเรือนถ้าตัวเองไม่พ้นทุกเนี่ยจะไปชี้ทางพนทุกให้เขาได้อย่างไรให้ทุกคนชัดเจนนะตอนนี้เอากันใหญ่เลยแม้กระทั่งพ้าผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนท่านบอกหน้าเศร้าใจชีวิตท่านเกือบจะหมดแล้วไง ไม่เถือเชื่อไม่น่าเชื่อว่าสังคมบ้านเราเป็นแบบนี้พวกคุบอกหลวงพ่อต้องทำใจนะกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันนะมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าไปบังอาจฝืนกฎแห่งกรรมใครมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทำคนนั้นก็ได้คนที่ยังไม่แน่ชัดไม่เข้าถึงเนี่ยนิ่งเฉยตำลึงทองก็ไม่ต้องสร้างกรรม อันนี้แค่มองมเห็นเห็นบอกฉันรู้แล้วฮะวันนั้นเขามาที่นี่เขาส่งไฟกลางคืนอแล้วออกไปพูดพูดยังไงรู้ไหมถ้าพระกูแน่จริงทําไมไม่ให้ถ่ายรูปทําไมไม่หายวิดีโอทําไมต้องปิดไฟพ่ะคุณมาดูกลางวันสิตอนอยู่หน้าพระกูไม่กล้าพูดไงไม่พูดอะไรไม่มีสาระกลางวันเราก็เห็นเห็นกันหมดใช่ไหม มันไม่ใช่เรื่องความลับหรืออะไรแต่ยุคนี้เป็นยังไงเห็นไหมคนที่มือหาเรื่องก็มีคนที่ปากหาเรื่องก็มีเพราะมันถ่ายช็อกปุ๊บมันก็เอาไปว่ากันเล่นเลยส่งไปทั่วโลกเลยเนี่ยเหมือนคุณเล็กวนันดีดาสันซื่อเขาเป็นคนใจบุญนะเออก็พาคุณวรนนสิงมาถ่ายทําที่นี่วันแรกแก ข, ขออนุญาตพระครูว่าแกอยากถ่ายทําไม่ชีแต่งชุดดําพระควก คุณมันในสิ่งที่นี่ไม่มีความลับนะแต่การที่เราจะนำเสนออะไรไปสู่สังคมแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วไปตั้งโจทย์ทะเลาะ ก, กันเนี่ยไม่ควรจะทำแต่เขาเร็วมากคนคนนี้มีปัญญาเราจะไปนำเสนอนสิ่งที่มันขัดแยง้งแล้วก็เป็นเมาส์กันนี่นไทไมล่ะทุกวันนี้ชอบอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมนะบางทีออกไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีเวลาแก้ไขเลยนะ จะไปแก้ยังไงมันออกไปแล้วไงเนี่ยยุคนี้อันตรายมากที่นี่ไม่มีความลับหรอพกพรากูปิดศูนย์พวกนี้ก็ได้พราะคูไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ่ะเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรทั้งนั้นนะให้เราทําบุญพราะูไปทําบุญที่ไหนกวาดใบไม้ก็ได้ไงแต่อันนี้โอ้โหเรียนจบชั้นสูงแล้วมานั่งจับปิดคนอื่นตัวเองเนี่ยมือไม่พายมาหาเรื่องคนอื่นเนี่ยระดับด็อกเตอร์ล่ะไม่มีงานทํา แล้วปยังไงแล้วสังคมมันเป็นยังไงนั่นแหละเรียนสูงๆบางทีนี่ถ้าไม่ระวังนะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องสู้ภรรยาฝรั่งก็ไม่ได้เขาไม่ต้องเรียนเลยเขาคุยกับสามีเขารู้เรื่องเห็นไหมภาษาบ่งบอกนิสัยตอนนี้ภาษานี่มันสอนให้เราต้องชนะต้องเอาเปรียบคนอื่นต้องเก่งมันก็เลยใช้ภาษามัน ไปสร้างว่าจีกรรมชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นนะเพราะกูไม่ได้กูอะไรนะเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่คําสอนพระเจ้าพระเจ้าก็สอนบอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นไงยังไปยึดคําสอนที่เป็นก๊อปปี้เข้ามาแต่เรื่องเดียวนี้ก็มาพูดยัดเยียดให้คนอื่นต้องทำตามนะแล้วคุณทําไมไม่ทำตามพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่ายึดมั่นถือมั่นพระองค์สั่งไว้ด้วยว่าอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราไง อย่าพุ่งเชื่อตำราด้วยทำไมไม่ฟังพุทธเจ้าล่ะไปเอาความรู้ทางตำราเนี่ยไปจับถูกจับผิดคนอื่นธนาคุณนั่นแหละไม่ทำตามพุทธเจ้าที่นี่ทำทุกวันนะยี่กปีไม่มีวันหนึ่งหยุดเลยทำดีละชั่วขับเกาจิตให้พองใสส่วนคนที่อยู่ที่นี่บางคนเนี่ยก็สภาวะทำไม่เหมือนกันเนี่ยพวกครูไม่ได้ใช้อุบายว่าทุกคนต้องเป็นหุ่นยนนะหนึ่งสองสามปังยูในกรอบ ที่นี่ไม่ทำส่วนมันเป็นเรื่องทําถูกทําผิดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาแต่หลักการของศูนย์นี่พ่ะครูแน่ใจเหลือเกินว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่ดูจากคําสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่อย่างหนึ่งพอชีวิตที่เหลือพรอครูพรอครูไม่ต้องการอะไรพรอครูไม่มีอนาคตแล้วแม้กระทั่งคิดก็ไม่เคยคิดเลยยี่สิบหกปีเห็นไหมคิดคือมโนกรรมนะมันไม่ต้องคิดเพราะมันไม่มีอนาคตแล้วมันจะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องทํำไมอันนี้มาดูแค่อะไรแล้วก็ ไปไปตัดสินแล้วเห็นไหมพวกครูสอนพวกเราอย่างไรทุกวันสอนสอนสอนสอนนะไม่ใช่ไปสอนให้ทุกคนทำตามคือเตือนสติสัต่ร่ารู้สัต่ว่าเห็นสัต่ว่าได้ยินไม่พิจารณาไม่ตัดสินเห็นไหมไม่ได้สอนให้พวกเราไปตัดสินใครเลยรู้เฉยๆยิงทิ้งหมดหรือยันวุ่นนั่นะคือตัวปัญญาอย่างเรายิงเป้าบินเนี่ยเฮ้ย hey, สีอะไรใครใครยิงมาตกก่อนนะ เดี๋ยวไอ้ลูกนี้มาลูกนี้มาคุณจะไปพี่นาทันคุณยิงอย่างเดียวถ้าคุณไม่มีปัญญาเนี่ยคุณก็ยิงไม่ถูกนั่นแหละคือตัวปัญญาปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่าทันอารมณ์มากระทบเขาด่าปุ๊บยิงเลยนะกระทบหูจบเสียงด่าคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามันเกิดมันก็ดับจบเวทนาไม่เกิดสัญญาไม่เกิดสังขารไม่เกิดคิดปรุงแต่งมันไม่เกิด วิญญาณก็ไม่เกิดก็ไม่ต้องสร้างกรรมขันห้าปรุงแต่งไม่ได้เห็นไรูปเกิดก็ดับขันห้าปรุงไม่ได้ปฏิสบุติบาศขับเคลื่อนไม่ได้วัตะสงสารหยุดไม่ไม่ไม่มาลองทำดูแล้วก็ไปเอาเอาความรู้ที่ไปจำมาแล้วมานั่นสร้างวัจีกรรมนะอันนี้ไม่ใช่ประกาศศาสนานะไม่ใช่จะลงศาสนาทำแบบนี้กำลังทำลายศาสนาทำให้คนอยู่ในศาสนาเขาเบื่อศาสนา เหมือนไล่คนออกจากศาสนาเพราะเธอไม่เหมือนฉันอันตรายมากคนรุ่นใหม่ยิ่งไม่เอาอีกถ้าแบบนี้นะคุมถุงชนแบบนี้พวกครูไม่กระทำพวกครูไม่เคยสั่งการแต่พวกครูมีหน้าที่เตือนสติถ้าพวกครูไม่ทำหน้าที่ตรงนี้พวกเราไม่ต้องเสียเวลามาที่นี่หมส่วนทำหน้าที่แล้วเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันพวกครูไม่เคยไปก้าวกายชีวิตของแต่ละคน เพมันเป็นนาณาจิตตังความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกําลังก็ไม่เหมือนกันแต่พวกครูมีหน้าที่เตือนเห็นไหมถ้าแต่ละองจิตไม่เหมือนกันไงคนนี้เขาติดอย่างนี้คนนี้ติดอย่างนี้จะไปสอนทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้มันไม่ตรงจุดเพราะพุทธองค์แสดงกับพระราหหุ่นกับแบบหนึง่งภาษาลิบุตรแบบหนึง่งมุกขนาละแบบหนึง่งเห็นไหมล่ะ ทีนี้ไม่ใช่ว่าไปรวมเอาคำสอนพระองค์ทั้งหมดก็ไปนั่งท่องจำท่องจำโดยไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยแล้วมันจะพ้นทุกข์หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ชี้ให้แก้วดูแก้วฟังนะคนที่เขาบรรจายเขาพูดภาษาเนี่ยเขาเขาถ่ายทอดภาษาที่พระเจ้าเป่องออกมาเนี่ยพวกกูมาอเมริกาใหม่ๆนะเคยมีชุดเทปนั้นเสียงปุกเสียงทำเสียงอะไรนะ่มีสามเสียงเนาะตอนเช้าปุกนะ คนพูดพ่อมากเป็นพระภิกษุนะเหมือนท่านรู้มากเลยแล้วพอกรูฟังไปฟังมาสองปีปุ๊บข่านกระสืออ่าไปแต่งงานไงไม่ใช่ภูริจ้าพูดซะหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไปรู้อย่างนั้นก็พ้นทุกขนะ์แต่อานุโมทนาสาธาด้วยท่านอุตษาสเสวลาเนี่ยเอามาถ่ายทอดแต่อย่าไปเข้าใจว่าไปจํามันหมดแล้วจะพ้นทุกข์นะมิเดีขยะ จำเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการเตือนสติให้เรามุ่งมั่นรู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่มีสาระอะไรมีอยู่บางคนฟังธรรมทีหนึ่งเนี่ยก็บรรลุธรรมได้มีแต่มันไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างพาหิยะเนี่ยฟังธรรมผู้เจ้าแค่ครั้งเดียวไม่ใช่สามชั่วโมงนะนะยาทําทใจดีเอาพระครูไปอ่านหนังสือสามชั่วโมงเนี่ยทั้งดอกไม้มาก้อนหินตามมาด้วย ได้ยังไงได้งไงได้งไงสามชั่วโมงพาหิยะสามนาทีฟังปุ๊บบรรลุธรรมเลยคือเราไปคิดอะไรเป็นแบบแพ็กเกจแพทเทิร์นตายตัวเป็นวิชาการเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้เราคิดแต่เรื่องชาติเดียวเธอมาใหม่ใช่ไหมฉันเป็นรุ่นพี่น ะ, ะเธอต้องไปรับน้องใหม่เธอต้องเรียนกอไก่ไปอนุบาลอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเห็นไหมที่ท่านมาที่นี่ทุกคนเนี่ย พ่อครูทำอย่างนั้นไหมไม่มาใหม่ใช่ไหมเออปุ๊บปุบ๊ไปเปิดดูแนวทางปุ๊บโอเคมาเดินทางด้วยกันไม่มีแยกมีใหม่เราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเขาจบชั้นไหนไอ้ที่ปฏิบัติเก่าๆนั่นแหละมวัวแต่ย่ําอยู่กับที่นะเขามาปุ๊บสิบห้านาทีเขาแซงแล้วไงต้องบวกของเก่าด้วยแต่ถ้าจิตเรายังติดบล็อกอยู่นี่ยล้วก็เอาวิชาการที่เราเรียนรู้เนี่ยไม่กล้าคิดนอกกรอบให้ทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมธรรมะ ขึ้นไปสายพานน่ะทุกคนเป็นหุ่นยนต์กันหมดเพราะครูไม่เคยกระทำล้วไปกดเขาไว้ทาไมเขาฝึกมาตั้งหลายชาติเขาปริญญาโทแล้วก็ให้เขาต่อเอกสิให้ไปเรียนอนุบาลหนึ่งทำไมตอนนี้สอนกันอย่างนั้นไงถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่เหมาะเขาจบว่าไม่เหมาะคือจะผิดอย่างอื่นไม่ได้บอกไม่เหมาะคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้จิตเขาเหรอ พวกกูยังไม่กล้าพูดนะให้จิตเขาเลือกเองใช่อันนี้มาส่งดูแอบดูเฉยๆแล้วก็บอกรู้หมดแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่มาเรียนรู้แค่ทฤษฎีแล้วก็แค่เทคนิควิธีการนะต้องปฏิบัติให้มันเป็นให้มันพ้น นั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติศาสนาอันนี้แค่มานอนคืนหนึ่งหรือก็มืดๆแล้วไปต่อไหวไม่กล้าเปิดไฟเอ้าจะเปิดให้มันเสียไฟทําไมกลางวันมันก็สว่างไม่ทําไมไม่มาดูมจบด็อกเตอร์จบทําไมเพราะกูอยากเจออีกครั้งหน่อยหนึ่งนะอย่าเป็นคนรอบกัดอย่างนี้ไม่ดีมันเสียชื่อาศาสนาพุทธเรา โอ้แย oh, yeah, no. yeah, ่มากเนาะแย่จริงๆแล้วยังไงล่ะเห็นไหมคอร์รัปชันเลยยิ่งกว่าคอร์รัปชันไอ้มันขโมยเงินมันโกงเงินเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเลกนิดหนึ่งนี่นะอันนี้มันทำลายอนาคตทำลายโอกาสคนเนี่ยกว่าเขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เป ร, เร์เสริยไม่ใช่ง่ายๆ เนี่ยทำเล่นเล่นเนื่องจากเป็นหลงตัวเองมีอัตราว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดหมดเลยนะพ่อครูก็เพิ่นได้ยินข่าวเมื่อวานว่าปลุกเมื่อไหร่เง้ยพิปุกช่างมันนเนี่ยพ่อครูชี้ให้ดูเนี่ยขนาดพ่อครูในประเทศตัวเองหนีมาจากเมืองศรีวิไลมาอยู่ในป่าแล้วมันยังตามมายุ่งกับพ่อครูอยู่ในนี้นะต่อไปมันตามพ่อครูไม่ทันหรอกพ่อครูไม่ได้อยู่ให้มันตามหรอกเนาะ อมันคนเราเนี่ยมันแย่จริงๆเนาะนี่แหละบอกให้ฟังนะอย่าไปหลงร่วมสร้างสังกกรรมร่วมสังกกรรมแบบเขาก็เราต้องรับกรรมนะโดยเฉพาะไม่ใช่ประเทศไทยนะพกพราะคูบอกให้พวกเรารู้เนี่ยทั้งโลกตอนนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะภาษาที่มันเรียนมามีแต่จะเอาชนะฆ่าคานกัน มันคิดมีเมตตาคิดจะช่วยเหลือคนอื่นจริงจังไมมันไม่มีหรอกหมดแล้วนะหมดแล้วเนาะทุกคนก็อย่าปล่อยให้โอกาสไม่ใช่ว่าทั้งโลกก็บอ ก, กโอกาสทองทองมันแค่แค่ช่างกิโลขายได้เท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะโอกาสอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรประมาณค่าได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทอง มันเป็นเรื่องชีวิตในวัฏฏะสงสารไม่รู้กี่ชาติเมื่อเจอแล้วอย่าเประอย่าพลาดโอกาสนี้มีบางสายนะเขาสอนกันยังไงว่าอย่าปฏิบัติช่วงนี้ปฏิบัติยากกิเลสมันแรงทำบุญเยอะๆทบุญเยอะๆจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานโอ้ผัดวันประกันพุ่งเพชรเม็ดงามนี้ไม่เอาเจอพู้เจ้าไม่เอาจะไปเอาพระพระศรีอานบอกไปในแน่ คุณไปแน่เลยอาจจะเกิดเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวในยุคนั้นเนี่ยทเลนมันสอนทางนั้นแหละนั่นละยิ่งเกิดมาในยุคนี้นะเจอวัตถุนิยมแบบนี้เราแหกโผลออกมาได้เนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน24ชั่วโมงของเราเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาอะไรก็ยังสังคมไม่พอเลยเราจะมีเวลาที่ไหนมาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ใช่บุญเก่าเรามีมหาศาลอยู่แล้ว พเพราะครูไม่เคยพูดเอาใจใครที่นี่ไม่มีใจไม่ต้องเกรงใจที่นี่เหลือแต่จิตพเพราะครูพูดถึงเรื่องจิตไม่ต้องไปเอาใจใครเบี่ยงใจทิ้งเราพูดเรื่องจริงถ้าไม่มีบุญมากมายเราจะแหกโผลมาได้หรอถามว่าใครไม่มีปัญหาคนจนก็มีปัญหา คนรวยก็มีปัญหายิ่งมีปัญหามากกว่าคนจนอีกนะเขายิ่งต้องรักษาสถานภาพเขาเขายิ่งนัดผิดชอบมากมันมีปัญหาหมดทุกคนอะถ้าเกิดมาแล้วไม่มีบุญเก่าเราจะมีเวลาแหกไอ้ไอ้ม่านวัฒนธรรมยุคนี้เนี่ยออกมาสแสวงธรรมหรอเรามีแน่ๆนะอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าพลาดโอกาสให้ทุกคนมุ่งมั่น มันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยบางคนบอกพ่อคุมไม่มีเวลาเลยเอ๊ะเวลาคุณมันน้อยกว่าคนอื่นเหรอยี่สี่ชั่วโมงเท่ากันไหมที่เรียนอ้างอีกแล้วบอกวันนึงกินข้าวหรือเปล่ากินสามมือวันไหนเที่ยวดึกบางทีสี่มือด้วยทำไมมีเวลากินข้าวล่ะทำไมมีเวลาอาบน้าล่ะบอกไม่มีเวลาฝึกจิตมีคนไปถามหลวงพ่อชา หลวงพ่อทำไมต้องปฏิบัติธรรมล่ะแค่ทำงานนี่มันก็เหนื่อยแล้วเนี่ยหลวงพ่อทามาแล้วทำไมต้องกินข้าวอะ่ะทำไมต้องอาบน้ำมะไม่ต้องกินไม่กินได้ยังไงมันมันมันหิวมันจะตายไงเอา้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมมันคุณตายทั้งเป็นอยู่แล้วไงไม่ใช่ไงเราไม่เข้าใจนะพเพราะครูเคยไปบรรยายอยู่ของเจียมเนี่ยผู้บริหารกระทรวงศึกษามาเข้าค่ายอยู่ดีสอดแห่งห น, นึ่ง เชิญพ่อครูไปบรรยายสองวันวันนึงสองชั่วโมงหกโมงเ้าถึงแปดโมงวันสุดท้ายพ่อครูปล่อยให้ถามชั่วโมงหนึ่งบางคนกล้ายกมือถามบางคนไม่กล้าก็เขียนจดหมายน้อยมาเขาถามพ่อครูว่าวิทยากรคิดอย่างไรกับเครื่องแต่งกายเห็นพ่อครูลากรองเท้าแตะไปใส่ชุดดำๆที่เราเคยใส่เนาะในขณะที่เขาแต่งสูตรกันหมดไง พระครูไม่คิดอะไรถ้าคิดก็ไม่มานะไม่ได้คิดพราะครูมีสติดีรู้ว่ารู้กาละเทสะการเวลาที่จะพูดอยู่ในห้องแอร์นี้ยแน่นเลยพรอครูก็เอาเสื้อคุมมาตัวหนึ่งกลัวมันหนาวแล้วพรอครูมีอะไรล่ะเออรู้กาลเทสะนะที่บอกว่าเข้าเมืองตาลิวเนี้ยต้องดู่ตาละตาตามเนี้ย ไม่ได้หมายว่าเราไปเมืองนี้มันเป็นโจรทั้งหมดเดียวเราต้องเป็นโจรเหมือนมันนะแต่เราไม่ไปด่าโจรไม่ไปทำลายสมบตญบัญจของโจรเท่านั้นเองเห็นไหมยังไม่ถามคืนนะพวาคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณไปแต่งชุดฝรั่งทำไมแต่งก็ไม่ได้ว่ากันนะจะกลับมาว่าเราอีกเรามีสติรู้ว่าเราเป็นเกษตรกรไทยเราต้องแต่งชุดแบบไหนที่มันเหมาะกับเรา แต่เราไม่เคยชวนคนอื่นมาแต่งเหมือนเราซะหน่อยหนึ่งเธอจะแต่งยังก็แต่งไปสิอันนี้ใครแต่งไม่เหมือนฉันเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวพวกครูเจอมาแล้วแต่สุดท้ายเขาสรุปผลว่าเขาชอบมากบางคนมีความเพนว่าแต่ผมยังมีกิเลสอยู่พูดหน้าตาเฉยเลยนะพวกครูบอกเออพวกครูทําสําเร็จแล้วอย่างน้นอยๆทาให้เราเห็นว่าเรามีกิเลสอยู่รักชอบอย่างไรก็แบกมันต่อไป ที่บอกเรามีกิเลสอยู่ไม่ต่างอะไรที่บอกว่าฉันเป็นเอศนะเราเป็นเอศเพราะเรามีกิเลสงั้นไงเราหลงรักเขาก็กิเลสไงเราฆ่าเขาก็กิเลสไงแต่พูดหน้าตาเฉยว่าฉันยังมีกิเลสอยู่พ่อครูบอกสองสองวันที่พระครูมาเนี่ยพรอครูไม่ได้เสียเวลาเปล่าอย่างน้นอยๆทาให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเป้าประสงค์ตั้งแต่นั้นมาพ่อครูปิดตัวไม่ออกงาน เพราะว่ามันถูกเกณฑ์มานั่งเฝ้าไม่มีศรัทธาแต่คนถูกบังคับให้มานั่งฟังคนทุกวันนี้ที่ติมานะเยอะมีน้อยคนมากที่เขาตามมาปฏิบัติคนที่เขามีบุญเก่าเนี่ยดอกบัวสีเหลาแล้วพป ก, กูไม่ได้คาดหวังอะไรพป ก, กูไม่อยากไปกระทบเมื่อเขาไม่พอใจแล้วเราจะไปยัดเยียดเขาทําไ ม, ไมก็ตอนนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยแก้ว โทรไปบอกเขาแคนเซลหมดที่เขาจองไปบรรยายอะไรบอกขอโทษด้วยช่วงนี้พ่อครูจำสินะไหมพ่อคกูผมยาวๆท่านไม่ตัดผมเลยท่านไม่เรียบร้อยท่านไม่สมควรจะไปยุ่กับคนเรียบร้อยข้างนอกเออท่านเป็นคนไม่ดีให้ท่านอยู่ตามภาษาไม่ดีของท่านดีกว่าเออท่านจะได้ไม่ต้องทุกข์เนาะแล้าก็ทํทำไมเขาเห็นไงมันชัดๆมันงั้นไม่เห็นเป็นกายภาพมันไม่รู้ไงแก้วก็สั่งแล้วบอกอีกฝังอีกแล้วเขาก็โทรมาก็มาไล่ไงบอกแก้วก็เลยเอ๊ย ให้แกไม่ต้องเขารู้ว่าผมยาวไงเพราะคูจาสินไงจะได้ไม่ต้องถามอีกตัวใครตัวมันมันแรงจนเราไม่มีอะไรเยียวยาละคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเพราะมันรู้ภาษามันทั้งคุยไม่รู้ภาษาหลวงพ่อท่านจะสรุปว่าน่าเศร้าใจท่านไม่นึกว่าชีวิตบันปลายท่านจะมาเจอแบบนี้ บอกหลวงพ่อนั่นแหละมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เล่าสู่กันฟังนะไม่มีอะไรนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนจักรวานพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วงกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมัตผลนิพพานโดยไวยเทิน